พเพียนในเทวาสุราสงครามครั้งหนึ่งท้าวสกะตรัสอบรมสุวีระเทวบุตรซึ่งรับเทวองค์การให้ยกไปรบอสุระแล้วประมาทละเลยเสียถึงสามครั้งว่าผู้ที่ไม่มีความภาคเพียรพยายามจะบรรลุ ถ, ถึงความสุขได้ในที่ใดก็ขอให้ไปในที่นั้นเถิดและช่วยบอกให้พระองค์ไปในที่นั้นด้วยสุวีระเทวบุตรกราบทูลว่า ผู้ที่เกียจคร้านไม่ขยันหมั่นเพียรไม่ทำกิจที่ควรทำแต่ก็ได้รับความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่น่าปรารถนาขอประธานพร อ, อย่างนี้แก่ตนท้าสกะตอบว่าคนเกียจคร้านบรรลุ ถ, ถึงความสุขอย่างยิ่งในที่ใดก็ให้สุวีระเทวบุตรไปในที่นั้นเองและช่วยบอกให้พระองค์ได้ไปในที่นั้นด้วยสุวีระเทวบุตรก็ยังกรบทุนขอประธานพรเพื่อให้ได้รับความสุข ชนิดที่ไม่มีทุกโศกโดยไม่ต้องทำอะไรฝ่ายท้าวส ก, กะตรัสว่าถ้าจะมีใครดำรงชีวิตอยู่โดยไม่ต้องทำอะไรในทิศ ท, ทางไหนนั่นเป็นทางนิพพานแน่ให้สุวีระเทวบุตรไปและช่วยบอกพระองค์ให้ไปด้วยอีกเรื่องหนึ่งท้าวส ก, กะทรงอบรมสุริมะเทวบุตรเพราะปรารบเหตุเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าเรื่องท้าวส ก, กะ เป็นอดีตนิทานสาธกะยกขึ้นเตือนภิกษุทั้งหลายว่าบวชแล้วก็ภาคเพียรพยายามเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้งเถิดในสงครามระหว่างเทพและอสูรครั้งหนึ่งหมู่ฤาษีภูมิศีลมีกัลยาณธรรมคิดเห็นว่าพวกเทพตั้งอยู่ในธรรมส่วนพวกอสูรไม่ตั้งอยู่ในธรรม จะพึงมีภัยจากอสุรจึงพากันไปหาสัมพรอสุรินขออภัยทักษิณาทานคืออภัยทานฝ่ายสัมพรอสุรินได้กล่าวว่าไม่ให้อภัยแก่พวกฤาษีชั่วร้ายซึ่งคบเท้าส ก, กะพากันมาขออภัยก็ดีแล้วจะให้ภัยแก่ฤาษีพวกนี้สักทีพวกฤาษีได้กล่าวสาบสัมพรอสุรินว่าภัยจงมีแก่ผู้ให้ภัย หวานพืชเช่นใดก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วหวานพืชแล้วก็จักสวยผลของพืชที่หวานเองในราตรีนั้นสัมพรอสุรินนอนผวาตื่นสะดุง้งหวาดเสียวขึ้นสามครั้งพระอาจารย์กล่าวอธิบายว่าเพราะเหตุที่ถูกสาบจนนอนสะดุ้งดังนั้นจึงได้ชื่อว่าเวปจิตติสืบมาในบางคราว ทั้งสองฝ่ายก็สงบสงครามกันและไปด้วยกันแต่ก็ยังมีความคิดเห็นและความประพฤติต่างกันครั้งหนึ่งท้าวสกะทรงดรําริว่าไม่ควรประทุษร้ายศัตรูเวปจิตติอสุรินทราบพระดรํารินั้นด้วยใจจึงเข้าไปหาท้าวสกะณที่ประทับท้าวสกะทอดพระเนตรเห็นแตไ่ไกลตรัสสั่งให้เวปจิตติอสุรินหยุดตรัสว่าทรงจับได้คือว่าลอบเข้ามา แล้วเวปจิติอสุรินจึงถามว่าท้าวส ก, กะทรงละความคิดเดิมว่าจะไม่ทำร้ายศัตรูเสียหรือท้าวส ก, กะให้เวปจิติอสุรินสบถก่อนว่าจะไม่ทำรา้ายเวปจิติอสุรินจึงสบถว่าบาปของผู้กล่าวเท็จบาปของผู้กล่าวร้ายพระอริยเจ้าบาปของผู้ประทุษร้ายมิตรบาปของผู้อกตันยูขอให้บาปนั้นทั้งหมดจงตกต้องผู้ประทุษร้ายต่อท้าวส ก, กะ ในบางครั้งท้าวส ก, กะและเวปจิติอสุรินไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันในวิหารสำหรับประทับ พ, พ, พักกลางวันต่างยืนพิงพาหาประตูองค์ละข้างทั้งสองต่างได้กล่าวภาสิทถวายพระพุทธเจ้าสรนเสริญความเพียรพยายามจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์แต่คำขอพระอินกล่าวแกมสรนเสริญขันติครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารสำหรับประทับ พ, พ, พักกลางวัน ทา้าสกะและสหัมบดีพรมเข้าไปเฝ้ายืนพิงพาหาประตูองาคา์ละค่าท้าสกะกราบทูลขอให้ทรงหมันจาริกเที่ยวไปในโลกเพราะทรงมีจิตวิมุตติแล้วเหมือนดวงจันทร์วัน15้าค่ำส่วนสหัมบดีพรมกราบทูลขอให้ทรงหมันจาริกเที่ยวไปแสดงธรรมในโลกเพราะผู้รู้ธรรมจักมีในบางครั้งทา้าสกะและเวปจิตตียสุรินไปหาฤาษีผู้มีศีล มีกัลยาณธรรมด้วยกันเวปจิติอสรินสวมรองเท้าคาดขันกั้นร่มเข้าสู่อาสมทางยอดประตูดินเฉียดหมู่ฤาษีโดยไม่เคารพฝ่ายเท้าส ก, กะถอดฉลองพระบาทประธานพระขันแก่เทพ อ, อื่นลดฉัดเข้าไปสู่อาสมทางประตูยืนประคองอัญชลีไปทางหมู่ฤาษีในที่ใต้ลม มูลฤสีได้ขอให้เท้าส ก, กะถอยออกไปจากทิศทางที่ลมจะช่วยกลิ่นกายของพวกฤาษีไปเท้าส ก, กะตรัสว่าทรงประสงค์กลิ่นที่ลมช่วยไปจากกายของฤาษีเหมือนอย่างทรงประสงค์มาลาดอกไม้งามบนศีรษะพวกเทพไม่เห็นว่าปฏิกรูในกลิ่นกายฤาษีครั้งหนึ่งเวปจิตติอสุรินป่วยหนักเท้าส ก, กะเสด็จไปเยี่ยมถามอาการไข้ เวปจิติอสุรินขอให้ท้าวส ก, กะส่งช่วยเยียวยารักษาฝ่ายท้าวส ก, กะก็ทรงขอให้เวปจิติอสุรินบอกสัมภริมายาคือมายามนชื่อว่าสัมภริเป็นมายามนของอสุระกระมังท้าวเวปจิติอสุรินขออนุญาตพวกอสุระแต่พวกอสุระห้ามไม่ให้บอกเวปจิติอสุรินจึงกล่าวพระุษวาษ่าให้ท้าวส ก, กะไปนรกยังมีเรื่องปิตาเ็ตเช่น ครั้งหนึ่งท้าสกกะเตรียมจะทรงเทพรสเสด็จทอดพระเนตรอุทยานเมื่อเสด็จลงจากเวชยันตะปราศาสตรทรงประคองอัญชลีนอบน้อมไปในทิศทั้งปวงเมื่อพระมาตาลีเทพสารถีทูลถามตรัสตอบว่าทรงนอบน้อมบรรมชิตผู้มีศีลบริสุทธิ์มีจิตตั้งมั่นประพฤติพรหมจรรย์และทรงนอบน้อมคฤหัสที่ทาบุญมีศีลเลี้ยงดูภ ร, รยาโดยธรรม บางครั้งเมื่อเสด็จลงจากเวชยันตะปราศาตสตรทรงนมัสการพระพุทธเจ้าบางครั้งทรงนมัสการพระสงฆ์ความไม่โกรธเรื่องเกี่ยวกับความไม่โกรธได้มีเล่าไว้หลายเรื่องเช่นครั้งหนึ่งทาวสกตะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าข้าอะไรได้อยู่เป็นสุขข้าอะไรได้ไม่โศกพระองค์โปรดให้ข้าอะไรเพียงข้อเดียวตรัสตอบว่า ฆ่าความโกรธครั้งหนึ่งมียักษ์ตนหนึ่งผิวพันธ์เศร้าหมองรูปรักเกลียดขึ้นไปนั่งบนอาสนะของเท้าส ก, กัดพวกเทพชั้นดาวดึงพากันโพนธนาติเตียนแต่ยิ่งโพนธนาติเตียนยักษ์นั้นก็ยิ่งงามยิ่งผ่องใสจนพวกเทพพากันประหลาดใจว่าจะเป็นยักษ์กินโกรธเท้าวส ก, กัดทรงทราบแล้วได้เสด็จเข้าไปทรงทําผ้าเฉวียงพระอังสากข้างซ้าย ทรงคุกพระชานุมนทนเบื้องขวาลงบนพื้นคือพรมชานุกะคุกเข่าท่าพรมทรงประคองอัญชลีคือเหนือพระเศียรประกาศพระนามของพระองค์ขึ้นสามครั้งว่าพระองค์คือเท้าส ก, กะจอมเทพยักษ์นั้นก็มีผิวพันธ์เศ้าหมองรูปร่างน่าเกลียดยิ่งขึ้นจนหายไปในที่นั้นเท้าส ก, กะขึ้นประทับบนอาสนะของพระองค์แล้วตรัสอบรมพวกเทพ สาถกพระองค์เองว่าพระองค์ไม่ทรงโกรธมาช้านานความโกรธไม่ติดตั้งในพระองค์แม้จะโกรธชั่ววูบเดียวก็ไม่กล่าวพระรัศวาจาพระองค์ทรงข่มตนได้ครั้งหนึ่งเท้าสกะได้กล่าวอบรมเทพชั้นดาวดึงว่าให้มีอำนาจเหนือความโกรธอย่าจืดจ้างในมิตรอย่าตำหนิผู้ไม่ควรตำหนิอย่ากล่าวสอเสียดความโกรธ ทับบทคนบาปเหมือนภูเขาอีกครั้งหนึ่งท้าวสกตะได้ตรัสอบรมพวกเทพชั้นดาวดึงว่าอย่าให้ความโกรธครอบงำอย่ากโกรธต่อผู้โกรธความไม่โกรธและความไม่เบียดเบียนมีอยู่ในพระอริยะทั้งหลายทุกเมื่อส่วนความโกรธทัพ บ, บทค้นบาปเหมือนภูเขาอดีตชาติของเทวดายังมีเรื่องที่เกี่ยวกับพระอินท์ที่น่านํามาเล่ารวมไว้ด้วย เรื่องแรกเล่าไว้ในสักกะสังยุตและในบาลีอุทานมีเขาเป็นเรื่องเดียวกันจะเก็บเรื่องในบาลีอุทานมาเล่าก่อนมีความย่อว่าสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรุวันใกล้กรุงราชครืมีชายคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนเป็นคนยากจนแร้นแค้นแสนเขนินชื่อว่าสุปปพุทธชื่อนี้ก็ฟังดีอยู่ แปลว่าตื่นแล้วได้ดีแต่อักกะถาไขาความว่าในคราวที่กำลังเป็นโรคเรื้อนอย่างแรงจนถึงเนื้อหลุดนอนร้องครวนครางอยู่ตามถนนตลอดคืนทำให้คนไม่เป็นอันหลับนอนเสียงร้องครวนคราง น, นั้นปลุกคนให้ตื่นอยู่ไม่ได้หลับสบายจึงได้ชื่ออย่างนั้นในความหมายว่าปลุกคนอื่นให้ตื่นจากการหลับสบายวันหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งแสดงธรรมแก่หมู่ชนกลุ่มใหญ่สุปพุทธะมองเห็นแต่ไกลคิดว่าคนประชุมกันอยู่เป็นอันมากจะมีอาหารอะไรแบ่งให้บ้างเป็นแน่จะต้องได้อาหารอะไรในที่นั้นบ้างจึงเดินตรงเข้าไปก็ได้เห็นว่าเขากำลังฟังธรรมกันและพระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมก็หมดหวังในอาหารแต่ก็เกิดอยากจะฟังธรรมบ้าง จึงนั่งลงฟังในที่ส่วนข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูบริษัททั้งหมดในพระไทยทรงทราบด้วยพระญาณว่าชายโรคเรื้อนผู้นี้เป็นพัพพ้า บ, บุคคลคือผู้ที่สมควรจะรู้ทำได้จึงทรงมุ่งสุปปุทธชายโรคเรื้อนทรงแสดงอนุปพีกถาต่อด้วยอริยสัจสจบแล้วสุปปุทฏได้ดวงตาเห็นธรรมกลาวทูลสรรเสริญพระธรรม และแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิสุกสงฆ์เป็นสรณะตลอดชีวิตได้ถวายอภิวาททำประทักษิณคือเวียนขวาหลีกออกไปสุปปุทธออกไปไม่นานก็ถูกแม่โคลูกอ่อนขิด ต, ตายพวกพิกษุได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามคติเบื้องหน้าของสุปปุทัตรัสตอบว่า สุ ป, ปพุทธเป็นโสดาบันมีสำโพธิคือความตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าภิกษุรูปหนึ่งกลาบทูลถามอีกว่าเหตุใดสุ ป, ปพุทธจึงเป็นคนยากจนแร้นแค้นแสนเข็ญตรัสตอบว่าสุ ป, ปพุทธได้เคยเป็นลูกเศรษฐีในกรุงราชครืน้นนี้วันนี้ออกไปชมสวนได้เห็นพระประเจกับพุทธเจ้า พ, พระนามว่าตะคระสิกีเดินบิณบาตอยู่ในนคร ได้เกิดความคิดหมิ่นขึ้นว่าคนขี้เรือนนี้เป็นใครที่เอวเพ่นพ่านอยู่ได้ถมน้ำลายเดินหลีกหันซ้ายให้แก่พระประเจกับพุทธเจ้าไปซึ่งเป็นการจงใจแสดงกิริยามิ่นไม่เคารพคือเป็นธรรมเนียมว่าทำประทักษิณเป็นกิริยาเคารพคือเวียนขวาในโอกาสที่ลากลับหรือในเบื้องขวาของตนในโอกาสที่เดินหลีกกันคือตอนเองถือเอาทางซ้าย ให้ทางขวาแก่ท่านที่เคารพแต่ถ้าตนเองถือเอาทางขวามือของตอนให้ทางซ้ายของตอนแก่ท่านก็เป็นกิริยาหมิ่นไม่เคารพ บ, บาลีว่าอปาบยามโตกริตตวาสุปพุท ธ, ธะไม่อยู่ในนิรยะช้านานเพราะวิบากที่เหลือของกรรมนั้นจึงได้เป็นมนุษย์ยากจนแร้นแค้นแสนเข็นในกรุงราชคลนี้สุปพุท ธ, ธะอาศัยทำวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศ มีศรัทธาสมาทานศีลสุตตะจาคะปัญญาแล้วจึงไปเกิดเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงรุ่งเรืองด้วยวันนะและยศยิ่งกว่าเทพอื่นๆในดาวดึงนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นมีความว่าบัณฑิตเมื่อมีเพียรบากบันก็ควรเว้นบาปทั้งหลายในชีวโลกเสียเหมือนคนมีจักษุเว้นทางที่ขรุขระเสียนั้น ในส ก, กะสังยุทธ์เล่าต่อไปในภาคสวรรค์แต่ไม่ได้ระบุชื่อว่าได้เคยมีบุรุษผู้หนึ่งในกรุงราชครนึนี้เป็นมนุษย์ยากจนแร้นแค้นแสนเข็นได้มีศรัทธาศีลเป็นต้นตายแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงรุ่งเรืองยิ่งกว่าเทพ อ, อื่นๆเหมือนดังกล่าวไว้ในบาลีอุทานนั้นฝ่ายเทพชั้นดาวดึงก็พากันพูดค่อนขอดแคคคา ลำเลิกภาวะครั้งเมื่อเป็นมนุษย์ยากจนแต่มาเกิดเป็นเทพรุ่งเรืองเกินเทพอื่นๆท้าวส ก, กะเทียวราดได้ทรงเรียกเทพชั้นดาวดึงมาทรงชี้แจงว่าอย่าได้ค่อนขอดเทวบุรนี้เลยเพราะเมื่อเธอเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้สร้างสมศราศีลสุตตะจาระปัญญาในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตพระพุทธเจ้าประกาศแล้วจึงมาบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์ เป็นสหายของทวยเทพชั้นดาวดึงรุ่งเรืองด้วยวันนะและยศยิ่งกว่าเทพอื่นๆท้าวสกัดเทวราชได้ตรัสธรรมภาษิตอบรมเทพชั้นดาวดึงต่อไปว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นดีไม่หวั่นไหวในพระตถาคตเจ้ามีสีงดงามซึ่งพระอริยเจ้าพระสงค์ยกย่องมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีทัศนคือความเห็นที่ตรงหมู่บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าไม่ยากจน ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้ทรงปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธทั้งหลายก็ควรหมั่นประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสความเห็นธรรมกันเถิดในอัธกถาแห่งสั่งยุทธ์นี้เล่าอาดีตชาติของเทวบุตรนั้นก่อนแต่มาเกิดเป็นเทวบุตรว่าเป็นคนเขียนใจชื่อว่าสุ ป, ปพุทธตนเนินเนื้อเรื่องเหมือนในบาลีอุทานแต่เล่าแปลกไปว่า ชาวเมืองสร้างมณฑปใหญ่ในที่กลางนครนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกไปเสวยและได้ให้อาหารแก่สุ ป, ปะพุทธะบริโภคจนหายหิวโหวยอิ่มหนำสำราญรวมจิตแน่วแน่ได้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอริยสัจอนุโมทนาพัตตาทานของชาวเมืองครั้งนั้นสุ ป, ปะพุทธะฟังแล้วได้โสดาปฏิผล และได้เล่าปุพกรรมของสุปปพุทธผิดไปจากบาลีอุทานว่าเมื่อครั้งเป็นราชาครองกรุงพาราณสีแห่งกาศิการัตเสด็จเลียบทำประทักษินพระนครทรงประมาทหมิ่นพระประเจกพทธเจ้าคล้ายกับที่เล่าในบาลีอุทานคือแต่ในบาลีอุทานว่าเป็นบุตรเศรีในอัตถกาถาอุทาน เล่าเรื่องพิสดานออกไปอีกว่าเมื่อสุปปะพุทธฟังเทศจบได้บรรลุคุณนิพพิเศษแล้วปรารถนาจะกราบทูลแด่พระศาสดาแต่ก็ไม่อาจจะฝ่าฝูงชนเข้าไปได้ครั้งมหาชนพากันตามส่งเสด็จพระศาสดากลับไปวัดแล้วก็ได้ตรงไปวัดในขณะนั้นเท้าส ก, กะเทวราชทรงทราบทรงใครจะทดลองสอบสวนจึงเสด็จไปประกาศพระองค์ในอากาศตรัสว่า สุปปพุทธะเป็นคนยากจนแร้นแค้นแสนเข็นพระองค์จักประทานทรัพย์นับไม่ถ้วนขอเพียงแต่ว่าให้สุปปพุทธะจงพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เราเลิกกันทีกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฝ่ายสุปปพุทธะได้ถามว่าผู้ที่ลอยพูดอยู่นั่นเป็นใครเมื่อได้ฟังคำตอบว่า คือเท้าสักกะเทยวราชจึงกล่าวว่ า, ทาวกกเท้าสกตะเทวราชเป็นอันธพาลไม่มีละอายซึ่งมากล่าวคําที่ไม่ควรกล่าวอย่างนี้ไม่ใช่ผู้ที่ควรจะกล่าวกับตนเหตุไฉนเท้าสกตะจึงกล่าวว่าตนเป็นทุกตะเขียนใจไร้มิตรญาติก็ตนเป็นบุตรโอรสพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะของโลกจึงไม่เป็นทุกตะเขียนใจไร้มิตรญาติโดยที่แท้ ตนบรรลุความสุขอย่างยิ่งแล้วทั้งตนเป็นคนมั่งมีทรัพมากยกพระพุทธภาษิตขึ้นกล่าวว่าทรัพคือศรัทธาทรัพคือศีลทรัพคือหีริความละอายหรือรังเกยียจบาปทรัพคือโอตตปะความกลัวเกรงบาปทรัพคือสุตะความสะดับศึกษาทรัพคือจาคะะการสละทรัพคือปัญญาเป็นที่ครบเจ็ ทรัพเหล่านี้มีแก่ผู้ใดเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าผู้นั้นไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เป็นโมคะคือเปล่าประโยชน์เท้าสักกะล่วงหน้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลคําที่โต้อตอบกันทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสว่าเท้าสักกะตั้งร้อยตั้งพันองค์ก็ไม่อาจจะทําสุปปพุทธให้พูดปฏิเสธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ ฝ่ายสุปปะพุทธะไปถึงวิหารแล้วเข้าไปเฝ้าพระศ า, ศาสดากราบทูลคุณวิเศษที่ตนได้บรรลุออกจากที่เฝ้ากลับไปก็ถูกแม่โคควิดสิ้นชีวิตเรื่องพระอินมาทดลองน้ำใจนี้ให้กติว่าผู้ที่เห็นธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วย่อมมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างที่พูดกันในคาไทยเก่าๆว่าถึงจะมีพระอินมาเขียวๆก็ไม่เปลี่ยนใจ ไม่ต้องกล่าวถึงเทวดามนุษย์อื่นๆทั้งนี้เพราะมีอริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ทางใจบริบูรณ์แล้วและได้มองเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกทั้งหมดแม้จะเป็นสมบัติจะะักรพรรดิอริยทรัพย์นี้ได้มาจากพระพุทธเจ้าหรือได้เนื่องมาจากพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้ค้นพบและได้ประทานไว้แก่โลกฉะนั้น จึงไม่ใช่วิสัยของผู้เห็นธรรมจะปฏิเสธพระรัตนตรัยได้เลยใครๆก็ไม่อาจจะมาเปลี่ยนใจให้ออกห่างไปจากพระรัตนตรัยได้ถึงแม้จะยากจนที่สุดและมีผู้นำทรัพย์นับไม่ถ้วนมาล่อดังเรื่องสุ ป, ปพุทธนี้พระเจ้ามันทาตุราชคำว่าสกตะเป็นต้นที่เรียกกันเป็นพื้นว่าพระอินนั้นเป็นชื่อตาแหน่งของเทวราช ผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งองค์หนึ่งจุติไปแล้วก็มีอีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นมาแทนสืบต่อกันไปดังนี้ไม่ขาดสายดังมีเรื่องเล่าในมัณทาตุ ร, ราชชาดกว่าในครั้งปฐมกับเมื่อมนุษย์มีอายุยืนนานนับไม่ถ้วนคืออสงไขยพระเจ้ามัทาตซึ่งสืบต่อพระวง์ตรงมาจากพระเจ้ามหาสมมตราช ผู้ทรงเป็นพระราชาองค์แรกของโลกได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิครองโลกนับเป็นองค์ที่แปดพระเจ้ามันทาตมีฤทธานุภาพมากครองโลกมนุษย์อยู่นานจนเบื่อแล้วก็ขึ้นไปครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชท้ามหาราชทั้งสีองค์ก็ต้อนรับยอมให้ครอบครองพระเจ้ามันทาตครองสวรรค์ชั้นแรกนี้นานเขาก็เบื่ออีกจึงขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึง เทา้าสกะก็ทรงต้อนรับแบ่งดาวดึงให้ครองกึ่งหนึ่งพระเจ้ามันธาตครองดาวดึงอยู่นานเทา้าสกะจุติไปและเกิดขึ้นใหม่องค์แล้วองค์เล่าถึงสามสิบหกองก็เกิดเบื่อที่จะครองเพียงกึ่งเดียวคิดจะโปรงพระชนเทา้าสกะเพื่อจะครองสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งหมดแต่ธรรมดาว่าเทา้าสกะไม่มีใครจะโปรงพระชนได้ความคิดปรารถนาของพระเจ้ามนธาต เป็นตันหาคือความทยานอยากดิ้นรนเป็นมูลแห่งวิบัติทำให้อายุสั้นทำให้แก่แต่เป็นธรรมดาว่าสรีระมนุษย์ไม่แตกทําลายในเทวโลกคือไม่ตายทิ้งซากไว้บนสวรรค์พระเจ้ามันท่าจึงตกจากสวรรค์ลงมาผทมเป็นวาระสุดท้ายในพระราชะอุทยานเมื่อราชตระกูลได้ทราบพากันมาเฝ้าแวดล้อม มีรับสั่งให้ประกาศแก่มหาชนว่าพระองค์คือมัทาตมหาราชพระจักพัติราชของโลกพระราชาในสวรรค์ชั้นจาตุ ม, มหาราชิกาพระราชาในเทวโลกชั้นดาวดึงครองสวรรค์ชั้นนั้นอยู่36ชั่วอายุเท้าส ก, กะก็ทำตัณหาให้เต็มไม่ได้ต้องตกลงมาจากสวรรค์สิ้นพระชนรั้นรับสั่งไว้ให้ประกาศดังนี้แล้ว ก็สินพระชนไปตามกรรมชาดกเรื่องนี้ท่านเล่าไว้เพื่อแสดงโทษของตัญหาว่าไม่มีใครทําให้อิ่มให้เต็มได้เหมือนอย่างมาหาสมุทรไม่มีอิ่มน้ำไฟไม่มีอิ่มเชื้อเมื่อท่านเล่าชาดกนี้แล้วก็ได้แสดงเป็นพระพุทธภาษิตความว่าจันทร์และอาทิตย์ส่องสว่างไปตลอดทิศเพียงใดหมูสัตว์ที่อาศัยแผ่นดินตลอดทิศเพียงนั้น ล้วนเป็นค่าแผ่นดินของพระเจ้ามรรฑะธาทั้งหมดคือพระองค์มีบุญญาณุภาพปรบพระหัตให้ฝนกรหาปณ ะ, ะตกลงได้ความอิ่มในกามทั้งหลายด้วยฝนคือกรหาปณ ะ, ะย่อมไม่มีคือจึงทยานขึ้นไปครองสวรรค์สองชั้นเมื่อคิดทยานเกินวิสัยขึ้นไปอีกจึงร่วงลงมาบัณฑิตรู้อย่างนี้ว่ากามทั้งหลายมีความน่ายินดีน้อยมีทุกข์มาก จึงไม่ติดใจ ย, ยินดีในการทั้งหลายแม้ที่เป็นทิพย์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธะย่อมยินดีในธรรมเป็นที่สิ้นตัญหานอกจากได้คติธรรมดังกล่าวยังได้คติความเชื่อว่าคำว่าส ก, กะเป็นตำแหน่งผู้ครองสวรรค์ชั้นนี้ทุกการสมัยใครมีบุญขึ้นไปครองก็เรียกว่าส ก, กะทุกองค์ตั้งแต่ปฐมกับของโลกก็เรียกอย่างนี้ ส่วนเท้าส ก, กะที่กล่าวถึงว่าเสด็จมากเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเป็นองค์ที่มข้ามานไปเกิดดังเล่าในบาลีสั ก, กะสังยุตที่เก็บมาเล่าไว้แล้ว